ม 2, สองห้าเก้าสิบเจ็ดปีตอนนี้ก็มีมีหมอสาญญกรรมหัวใจที่ขอนแก่นหมอขอนแก่นเหมือนกันมาบวชอยู่เป็นรวมอันนี้วันนี้ผมก็มาติดต่อที่รักครูข้างล่าง กางเรียนธันวาจะมาขอเป็นตาเหมือนกันอ่อเออแต่เขาคงจะมีบวชถตาวันนหลวงกันเห็นหมั้ีคนเข้ามาติดต่อกันหลายรายก็ก็ตั้งใจจะบวชบวชนานมไหมบวชประมาณสิบห้ามันหมอคนนี้เขาก็ เป็นหมออยู่ที่คอนแก่นเป็นหมอภาตัดหัวใจอายุก็ประมาณสี่สิบเนาะสี 40. กาไล่เรียกกันนะชื่อหมออะไรจำได้ไหมไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้จักนะก็ลาออกลาออกแล้วก็มาบวชบวชบวชพันษาที่แล้วเนี่ย แต่บวชยาวไม่ไม่บวชไม่สึกอืมพักน้องชายผมเลยครับเนีเรียนจบอ่าโยคะปวสอที่ที่แหลมชะบังเล็กเนี่ยครับแล้วบอกว่าจะไปบวชให้อามาแล้วก็ไม่ไม่ยังไม่เส็จเลยครับสิบเปร์แล้วสิกสับเปรแล้วนะอออัอนนี้นก็อยู่ที่วัดต่านาคําน้อยนายม อยู่กับพระอาจาราย์ทิาวายจ่สิบสา ม, มัทราบซึ่งในรถพระธรรมรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงใครมีธรรมแล้นจะมีความสุขมากกว่ามีเงินมีทองมีข้าวมีของเป็นความสุขสบายใจในนั้มนกับความสุข จากเงินทองจากข้าวของมันมีทุกข์ตามมามันมีความห่วงใยมีความวิตกกังวลเพราะว่ากลัวว่ามันจะหายไปกลัวว่ามันจะหมดกลัวว่ามันจะจากเราไปก็เลยเป็นความสุขที่ปนไปด้วยความทุกข์ความวิตกกังวลห่วงใยแล้วก็ความเสียดายเสียใจ เวลาที่สิ่งที่เรามีอยู่ต้องจากเราไปคนที่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมแล้วจะจะไม่หลงกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขจากข้าวของเงินทองาความสุขของธรรมนี่มันอยู่กับตัวเราเสมอ เราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็รักษามันได้มันไม่มีวันพัดพากจากเราความสุขที่เกิดจากความสงบเกิดจากการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการปฏิบัติธรรมภาวนาทำใจให้สงบ สอนใจให้ฉลาดก็จะสามารถรักษาใจให้อยู่ในความสงบให้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรคนที่คนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็ไม่จําเป็นจะต้องมีข้าวของเงินทองไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับตน เอาศีลสมาธิปัญญานี้มาเป็นแฟนดีกว่าเป็นแฟนที่ซื่อสัตย์เป็นแฟนที่ไม่มีวันจากเราไปรักษาศีลให้ดีอาจนั่งสมาธิให้ได้อรียนรู้ธรรมให้เกิดปัญญาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นทุกเช่นลาบยศสตเสื รูปเสียงเกล็รอดต่างๆนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไปควบคุมให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้มันจะต้องมีวันที่จะต้องจากเราไปเพื่อเปลี่ยนไปอันนี้คือความสุข จากธรรมจากศีลสมาธิปัญญาจะทำให้จิตสงบแล้วก็มีความสุขมากความสงบนี่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงนัตติสันติพลังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ ันที่บวชกันก็เพื่อที่จะมาหาความสงบกันหาความสุขจากความสงบแต่ก็ต้องสละความสุขทางทางร่างกายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขทางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปตามสุขจากคนนั่นคนนี้แล้วก็มาเอาความสุขจากศีลสมาธิปัญญา นี่คือสิ่งที่พระตถเจ้าได้ทรงค้นพบที่ว่าตัดสู้ตัดสู้รู้วิธีสร้างความสุขที่แท้จริงรู้วิธีที่ดับความทุกข์ที่แท้จริงด้วยการจลานศีลสมาธิปัญญาเราเข้ามาได้อยากจะเข้ามาก็เข้ามาขึ้นมาได้ ทำงนานหลังดีกว่านะนี่ยังไงช่วงนี้ไม่มีงานนะฮะว่างเลยจ บ, ลจบอะไรจบเท่าแล้วโทรทางไหนบริหารเลยน่าจะไปบริหารที่ไหน เป็นอร า, าเปลี่ยนอาชีพแล้วไม่ไม่เป็นพิธีกรแล้วนะยังทำอยู่ยังทำอยู่อยากจะไปเป็นแอร์ของบริษัทไหนล่ะการบินไทยนะไอมเมลเออตอนนี้เขาเขาจ้างคนเยอะเนี่นะสายการบินทางตะวันออกกลางดูใบไปอยู่ที่ไหน ดูบายใช่ไหมดูบายข้อหน้าอยู่เน ะ, นะะเมืองในสวรรค์นในกลางทะเลทรายเราสร้างบ้านสร้างเมืองใหญ่โตมาโหลาอนะำนาจของเงินจากน้ำมันนยะขายน้ำมันได้ทำทะเลทรายให้กลายเป็นเป็นเมืองสวรรค์ขึ้นมา ได้ทราบว่าทราบว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งต่อไปใช่ไหมหรือครั้งไหนกันไม่รู้แล้วไปสมัครก็เลยไปสมัครทีหน้าไอ้ที่ยังไม่ถึงอนนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอือจอบก็ตามวัไรที่ค่อนข้างจะท้าทายนะ ไปทำโทรที่ไหนมาทาโทรที่ไหนมาเอแบกค่ะไอแบกอ่ะอแบกนี้เขาใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วจบตีที่ไหนรับ่อรับโของสิงคโปร์อ๋อรับเปรไปเรียนที่สิงคโปร์แล้วก็มาสอนที่นี่เขามีเปิดที่สีลมอ๋อ ส่ปีนะรั้อก็ัมปียสามปีสามปนมาจากที่ไหนกันที่ชลบุีชลบีมาทาอะไรแถวนี้นะไม่ไมา่อ มีมีอะไรอยากจะถามไหมหลัอนฟังหลังที่ว่าการปฏิบัติเนี่ยควรจะพยายามทันเจดเข้าสู่อัปปนาสมาธิให้ได้คร่าวก็เลยสงสัยว่าอัปปนาสมาธิจะ อาาาอว่ทํ๋อมีมันก็เหมือนกับเหมือนกับอกินข้าวเนีกินอิ่มมันก็รู้เองอ่ะอิ่มไม่อิ่มมันรู้ไหมเวลากินข้าวนะไม่รู้ว่าอิ่มหรือไม่อิ่มนะอ่าไม่อิ่มก็กินมันจะเป็นอิ่มใช่ไหมอ่าอัปปนาสมาธิกันเหมือนกัน ถ้าจิตมันยังคิดอยู่ก็ยังไม่ใช่สมาอปนาสมาธิมันต้องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ้นกว่าจิตจะรวมลง๋ย่างนิมนตท่านไปรอที่ศาลาก่อนนด้เวลาจิตสงบมันเหมือนตกหลุมตกบ่อตกจากที่สูงลงมา แล้วก็สงบเนิง่งความคิดก็หยุดไปพุโทโธก็หยุดไปความเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจมันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดมาสา์ใจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นใครได้สมาธิถ้ามันไม่ต้องถามใครที่ถามก็แสดงว่ายังไม่ได้กง มันเพิกหน้ามือเป็นหลังมือติดของเราที่มันกุดเหยีดหยดวุฒิวัดวัดอะไรไปมัน น, นิ่งเงียบมันอยู่ในที่เสียงดังแล้วเสียงมีเสียงดังมากอยู่ดีมันก็เงียบเสียงหายไปหมดเมันคารรู้สึกแบบนั้นฉะนั้นเวลาได้ผลล้ามันไม่ต้องถามใคร แต่ยังไม่ได้ผลที่ถามก็จะแสดงว่ายังไม่ได้ผละได้ผลแล้วมันรู้มันรู้ว่าเป็นความสุขที่พิเศษเป็นความสุขที่ที่ดีกว่าความสุขทุกรูปแบบก็ยินดีที่จะสละความสุขทุกรูปแบบไปเพื่อที่จะเอาความสุข แบบนี้เพียงอย่างเดียวเหมือนเราได้งานที่เราชอบได้เงินเดือนที่ดีกว่างานที่เราทำมางานเก่าเราก็ทิ้งไปได้เอางานใหม่ดีกว่าหรือได้รถคันใหม่ที่ดีกว่ารถคันเก่ารถคันเก่าถึงแม้ว่าจะดีขนาดไหนพอได้รถคันใหม่ที่ดีกว่าสิบเท่าของรถคันเก่าก็ไม่อยากจะขับรถคันเก่าแล้ว ได้รถคันใหม่ดีกว่าคนที่ไปบวชกันคนที่ก็ได้ความสงบกันที่ส่วนใหญ่เข้าไปบวชกันนะเพราะเขาอยากจะใช้เวลาสร้างความสุขนี้ให้มันเป็นอย่างถาวรตอนตอนตอนที่ได้ครั้งแรกมันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวชั่วคราวเข้าไปสงบแล้วพอออกมาก็กลับมาเหมือนเดิม แต่รู้ ว, ว่าความสุขนี่มันอยู่ข้างในถ้าอยากจะได้ก็ต้องกลับเข้าไปอยู่เรื่อยๆต้องพุโทโธดึงเข้าไปอยู่เรื่อยๆอันนั้นมันก็จะต้องต่อสู้กับกิเลสกิเลสนั้นก็จะดึงไปหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกิดลดแต่ใจที่ได้สัมผัสกับความสงบความสุขแล้วก็อยากจะกลับไปหาความสงบก็ต้องใช้พุโทโธดึงกลับเข้าไป ถ้ามีพุโทโธอย่างต่อเนื่องก็สงบได้ก็응จะพยายามพุโทโธไปทั้งวันสลับกับการนั่งไปเรื่อยๆ응นั่งจิตก็สงบมีความสขุขออกจากความสงบมาก็ใช้พุโทโธดึงกลับเข้าไปใหม่ทำอย่างนี้ไปจนกระทั่งสามารถเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาได้เวลาออกจากสมาธิมาขั้นต่อไปก็ ใช้ปัญญาสอนใจเวลากิเลสมาหลอกให้ไปหาหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสก็บอกว่าอย่าไปเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเอาได้มาก็ต้องหมดไปต้องเสียไปตายไปก็ต้องกลับมาหาใหม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าไปทำตามกิเลสไปทำตามความอยากน ถ้าไม่ทำตามกิเลสไม่ทำตามความอยากตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอกีกอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เวลาที่เราไปหาลาบยศสระเสินหาลูกเสียงเกิด น, นี่เป็นเหมือนกับการไปเกิดใหม่ไปสร้างภบใหม่ชาติใหม่เพราะความอยากได้มันไม่ตายไปกับร่างกาย เวลาร่างกายตายไปความอยากได้แ ล, ลาบยุศจะรัศมอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ยังมีอยู่ในหัวใจมันก็จะเดินหัวใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะไล่เกิดใหม่พอมาเกิดแล้วก็ต้องมาดินน้นรนเก็อาจจะเดินจบนี่เหนื่อยไหมพ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกเสียเงินเนี่ยสักกี่ตังค์กาจะจบ จบแล้วพอแล้วยังยังไม่พอจบแล้วก็ต้องที่นี่ก็ไปหาเงินเองเลยหาเงินมาทํำไมหาเงินมาเที่ยวเลยหาเงินมาจะซื้อรูปเสียงกิ่นรสมาเสพแล้วพอแก่ก็ทุกข์เพราะว่าไม่สามารถจะเสพรูปเสียงกิ่นรสได้รูปเสียงกิก่นรถจะเป็นเหมือนยาเสพติดเนี่ย หมอแก่เสพไม่ได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายเป็นถ้าหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายรักษาไม่ได้จะต้องตายภายในหกเดือนก็ไม่อยากจะอยู่แล้วไม่อยากจะอยู่อย่างทรมานหกเดือนอย่างนี้เขาพยายามให้ออกกฎหมายให้หมอฉีดยาให้ตายได้เพราะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ แต่การฉีดยาให้ตายก็เป็นการไม่ได้แก้ปัญหาเพราะตัวที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากกิเลส น, นี่แะที่อยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกเนื้อายแต่ร่างกายไม่สามารถทำได้ก็เลยฆ่าร่างฆ่าร่างกายความจริงมันจะต้องฆ่ากิเลสมากกว่า ค่าความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายถ้าฆ่าได้ไม่มีความอยากจะเสพดูดเสียงกิดร้อนมันก็อยู่ได้ร่างกายจะเจ็บยังไงก็ใจก็ไม่เดือดร้อนใจสงบถ้าใจฆ่ากิเลสได้ใจก็จะสงบสงบแล้วก็มีความสุขถึงแม้ร่างกายจะทุกข์จะเจ็บขนาดไหนมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็จะอยู่กับร่างกายไปจนถึงวันตายได้ ไม่ต้องไปฆ่าร่างกายถ้าไปฆ่าตัวตายเดี๋ยวชาติหน้ากลับมามันก็มาฆ่าตัวตายใหม่มาเจอปัญหาเดิมมันก็จะฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลับมาเกิดใหม่เพราะยังมีความอยากจะใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยกายมันก็จะกลับมาเกิดฆ่าตัวตายซ้าแล้วซ้าอีกวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ก็เกิดต้อง เลิกเลิกความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมานั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็มีความสุขก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะเจ็บจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนก็ปลมันเจ็บไปแต่เราไม่ต้องใช้มันไม่ต้องอาศัยมันแล้วพอตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาก ก, กัดตีนถีบทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นพาระให้กับพ่อกับแม่แล้วพอโตขึ้นก็มามีลูกมาเลี้ยงใหม่มารับภาระจากลูกคนลูกอกีกเนี่ยมีแต่มาหาความทุกข์กันเท่านั้นถ้าทําตามกิเลสแล้วมันก็เป็นการเดินเข้าหาความทุกข์กัน ถึงต้องใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าอย่าไปหาลาบยศสารเสริญอย่าไปหาลูกเสียงเกล็ดนัมันเป็นทางสู่ความหายนะความสู่ความทุกข์ใจให้ไปหาศีลสมาธิปัญญากันเวลามาบวชก็มาหาศีลสมาธิปัญญากันมาบวชเขาก็จะให้สอนใจิกขา เป็นพระต้องมีศีลสองร่อยบเจ็ดข้อแล้วก็ฝึกไหว้พระสวนตนั่งสมาธิแล้วก็ศึกษาพราะธรรมคำสอนเพื่อให้เกิดปัญญาในการบวชก็มีแค่นี้มาบวชเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาใจก็จะทำลายกิเลสตัณหาได้พอไม่มีกิเลสตัณหาใจก็สงบ มีความสุขไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายเป็นมามตะกรมาพาดก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายเพราะไม่ได้ไม่ต้องใช้ร่างกายนั่งเฉยๆก็มีความสุขได้อยู่เฉยๆไม่ต้องทาอะไร ถ้าใจมีศีลสมาธิปัญญาใจจะมีความสุขมีความสงบอจะไม่มีความโลภกดหลงไม่มีความอยากต่างๆนี่คือความสุขที่แท้จริงนความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ทรงค้นพบเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถค้นพบศีลสมาธิปัญญา ได้คนอื่นก่อนหน้าที่พุทธเจ้าจะมาตารัสรู้ก็ได้แค่ศีลกับสมาธิแต่ไม่ได้ปัญญาถ้าได้ศีลสมาธิก็ได้ความสุขชั่วคราวเวลาเข้าไปในสมาธิก็สงบมีความสุขพอออกจากสมาธิมากิเลสก็มามามาลบกวนใจมายุมายุา ย, ยงมาชวนให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรส ไปหาลาภยศสัจจะมีพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นวิธีฆ่ากิเลสด้วยปัญญาคือให้เห็นว่าสิ่งที่กิเลสต้องการนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะสิ่งที่อยากได้มันเป็นมันไม่เที่ยงลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันไม่เที่ยงร่างกายที่ใช้เป็นเครื่องมือหาก็ไม่เที่ยงหเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ไม่อยาก มันก็จะหยุดความโลภความอยากได้แล้วก็รู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากควารที่อยู่ไม่เป็นสุขต้องไปหาหนูน่นหานี่มาก็เพราะว่าความอยากมันทำให้เราไปหาเองพอเราทำใจให้สงบหยุดความอยากได้มันก็ไม่ไปถ้ามันไปก็ทำให้มันสงบอย่าไปทำตามมันมันโลภมัน อยากได้แล้วก็พุโทโธพุโทโธหยุดมันไปพอไม่ทำตามความอยากใจก็สงบมีความสุขต่อไปความอยากก็หมดกำลังถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็หมดกำลังไป ทำอะไรอยู่ที่เมืองชนนะทำงานทบริษัทในเมืองชนนะบริษัทอะไรเกี่ยวกับอะไรนดย้อนเช่นส่วนนัดย้อนโรงงานเนี่ยอยู่ที่ไหนโรงงานนะโปรแดงคร่งไม่ใช่ชมบแล้วเนี่ยระยองเ่ย ของฟอร์ดหรือเจมส์เลยะของมยของฟอร์ดเนี่ยเจมฟอร์ดเนอ้ดาวถูกกันะหลงแดงบอวินอยู่ทางเดียวกันหรือว่าใกล้ๆกันหรือเป่าแวนั้นเป็นเป็นโซนอุตสาหกรรมแล้วน ะ, ะมีโรงงานเยอะ ปนญหาเป็นของญี่ปุ่นหรือของไต้หวันหรือของหรือปนกันหลายชาติน <Okay. S 1> ใครจะมากกว่ากันญี่ปุ่นหรือเกาหลีญี่ปุ่ น, เ ย, นเยอะกว่านะได้ยินว่าญี่ปุ่นเขาจะชอบไปอยู่แถวเซีราชากันนะแถวเซี่ยชาติมีร้านอาหาญี่ปุ่นเนยอะ ก็มีญาติยมที่ทำร้านหาญี่ปุ่นมาทาบุญเขาเล่เาให้ฟังเราก็ชอบสอนสอนรู้สอนเห็นอยู่ที่นี่แต่รู้รู้มากกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ก็คอยสอนคอยถามอยู่ด้วยทุกคนที่มานี่เรารู้หมดไปทำอะไรกันเนี่ยคนนี้ยังไม่รู้ยังไม่เคยถาม เป็นแม่บ้านนะหรือว่าเนี่เกษียณนะฮะอมเนีอยไม่ทำเลยน ะ, ะกินเงินเก่าะ่ะไม่ต้องหาเงินอันนี้หาทำอย่างเดียวหาศีลสมาธิปัญญาแล้วจริงตามที่พระเจ้าตัดไว้ไหมว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง ในสติ ค, คุมได้นะแล้วมีปัญญาสติก็ได้ปัญญาก็ดีถ้าปัญญาได้ยิ่งดีใหญ่ปัญญามันจะทำลายกิเลสได้อย่างถาวรสติก็เพียงแต่กดมันไว้อ เราไปฟุ้งกับมันเองเราไปอยากกับมันเองไปวุ่นวายกับมันเองอันนี้อยู่ที่ไหนเห็ น, นีัไม่ได้ถามเลยาสาพัดค่ะสาพัดเนี่ยเปน้องสาวเขาก็พามาอ่ก็เลยได้คือ <laughs> สาพัดก็บอกอยู่ใกล้ๆทางนี้นนะไม่คุ้มอะ ้าภัก็อยู่ใกล้หลเบงอ๋อคนละที่กันนะใ้หลมงจะบงท่าอ๋อทาเย่อือก็อยู่ใกล้เมืองโรงงานทั้งนั้นนะอยู่หน้าโรงงานใกล้ๆโรงงานสาภี้ก็โรงงานใหญ่นี่ใ่ไหเป็นโรงงานน้อกๆไปเยอะค่ะอยู่ในใน เจ็สิบโรงงานอยู่ที่เดียววันนี้นะแะแล้วปีหนึ่งก็จะมีขายของโลทิงทีไม่ใช่เหรอถึงไม่ยังอิตย่แล้วเนี่ยค่ะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยะแล้วขายกี่วันนะวันค่ะหมนแล้เหรอออจะเป็นปลายเดือนตุลานต้องกิดตอ่ะค่ะคาวงาอาทิตย์นี้แหละตัดออกแล้วคนมาซื้อกันเยอะนห คนแค่คนที่ไหนก็มาเกดก็เห็นประกาศก็ของถูกเอืองมาของงานนะคะของเหลือขับออกเยอครั้งแล้วก็มีสต็อกเก็บไว้ขายไม่ออกเขาก็เลยที่ของจะมีเล็กน้อยนิดเดียวแล้วเขาก็จะส่งไม่ได้แล้วของเหมือนว่าทำเผื่อไว้แล้วมันเหมือนว่าคิวซีไม่ผ่านนะเขาเหมือน ีทอกนะ่อนเป็นเองนะคะก็ดีอาจจะมีตำหนินิดหน่อยใช่พวกเสื้อผ้าอะไพวกนี้เละของใช้เมื่อก่อนเราก็ไปซื้อของตำหนิมาใช้มันถูกอ่ะซื้องเกงตัวหนึ่งนี้ถูกกับซื้อตัวที่ขายในร้าน อันนี้ก็รู้หมดแล้วเนี่ยใครเ่มันนี่ก็7ซเนอีลฟ่นเนี่ของร้าน7นี่หนูนี่ก็เพิ่งจบมหาลาัยเพิ่งนับปริญญามาจะเปิดร้านอาหารสัตว์เลย ที่ทำถามทางบ้านไหมวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรละคนไม่มากก็เลยแล้วเอาคำถามนั่งกีเข้ามาท่าไหรแล้ววันนี้สอง้ยยี่สิบปดค่ะต้องรกเสียงไม่เข้าอ่าถามได้เลยคำถามจากคุณไม่มีเราไม่มีเขาพระิสุขขาถ่ายพระเครื่องเชื่อนำมาสร้างสะพาน พระสามารถค้าขายพระได้หรือไม่แล้วจะได้บุญจากการสร้างสะพานไหนครับ ม, มันไม่ควรอะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่มันทําผิดหน้าที่พระที่สุดมีหน้าที่มาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมมาเพื่อมาเป็นอาจารย์สั่งสอนคนสอนธรรมะไม่ไดม้มีหน้าที่มาสร้างถาวรวัตถุต่างๆอันนี้ ถ้าจะสร้างก็สร้างแบบจําเป็นจริงๆเช่นกระต๊อบเล็กๆไว้สําหรับอยู่หลบแดดหลบฝนอะไรทํานองนี้แต่ไม่ใช่มาสร้างถาวรวัตถุสร้างโบสร้างเจดีย์สร้างสะพานหรือสร้างอะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระเหมือนกับเอาเอาเด็กนักศึกษามาขายขนมแทนที่จะให้ไปอยู่ไปเรียนหนังสือให้อามาขายขนม นำเงินที่ได้จากขายขนมนี่มาอสร้างอะไรต่างๆมันผิดวัตถุประสงค์ของการบวชการบวชเพื่อมาเพื่อมาเรียนเพื่อมาปฏิบัติทำของพระพุทธเจ้าพอได้เรียนจบแล้วจะได้เป็นอาจารย์สอนคนอื่นต่อไปดังนั้นการทําอะไรต่างๆนี่มันผิดประเภทเนี่ยมันไม่มันใช้ ทำให้ทำให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยพระที่มาบวช ท, ที่หลังก็จะเอาแบบอย่างไม่คิดที่จะศึกษาไม่คิดที่จะปฏิบัติธรรมกันก็คิดจะมาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างแจกซองผ้าป่าสร้างแจกซองกระถินเรี้ยลายชาวบ้านเห็นไหมที่วัดเดี๋ยวนี้ตู้บริจาคเต็มไปหมดนะ อ, อ, อ, อ, อะไรก็ไม่รู้กลายเป็นขอส กลายเป็นขอทานไปความจริงพระนี่เป็นผู้ขอแต่ไม่ได้เป็นผู้แต่ไม่ได้เป็นขอทานคือขอในเวลาที่ขอในสิ่งที่จำเป็นและขอเฉพาะกิจเช่นบินถบาตเ ท, ท่านั้นที่ที่อนุ ญ, ญาตให้ขอให้เดินไปบินถบาตแล้วก็ไม่ให้ขอโดยการไปเรียกร้องคนนั้นคนนี้ให้มาใส่บาต เป็นการโปรดสัตว์คือเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะทําบุญได้มีโอกาสได้ทําบุญถ้าอยากจะทําบุญถ้าไม่ทําก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่พูดอะไรเฉยๆเดินไปจะได้มากได้น้อยก็ยินดีตามมีตามเกิดขอให้ขอแค่น ใ, ให้บิณฑบาตขออาหารนอกนั้นไม่ให้ขอนอกจากถ้าเป็นญาติพี่น้องหรือ คนที่เขาเสนอตัวปะวารณาตัวไว้ว่าถ้าท่านขาดแค่นอะไรอะบอกผมได้น ะ, อ, ะอย่างนี้แต่ก็ต้องก็ต้องบอกในของในสิ่งที่สมณะบรดิโพ ค, คือปัจจัยสี่ของพร ะ, ะเช่นจีวอนทานจีวอนขาดไม่ใส่ไม่ได้ก็ไม่มีจีวอนใส่ก็บอกเขาไป เก็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษาโรคก็บอกเขาไปกุฏิจำวุสฒิโซมต้องซ่อมแซมหรือต้องสร้างใหม่อะไรเงนี้ก็บอกได้แต่ต้องบอกกับพี่น้ญาติพี่น้องหรือคนที่เขาเสนอตัวไม่ใช่มาบอกอย่างญาติโยนี้มาถึงก็บอกเดี๋ยวช่วยสร้างกุฏิให้หนังเถอนะอันนี้ไม่ได้ไม่ต้องการให้พระมาหา ข้าของเงินทองถ้าอยากจะหาเข้าของเงินทองก็อย่ามาบวชนะเดี๋ยวนี้อะไรก็เอาเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือหากินหมดผ้าป่าช่วยอนุ่นช่วยนี่อะไรเต็มไปหมดนะมันไม่คุณนะนอกจากมันเป็นกรณีพิเศษจริงๆอย่างหลวงนงตาท่านทำผ้าป่าช่วยชาติเนะี่ย แต่ท่านก็ไม่ได้ทำแบบไปขอท่านเพียงแต่บอกบุญให้ทราบเท่านั้นเองใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คำ ถ, ถามจากคุณวัลัยพรตอนนี้นั่งแล้วจิตไม่รวมลงต้องทำอย่างไรจึงทำได้เหมือนเดิมเจ้าคะก็ต้องมีสติต้องพุโทโธพุโทโธให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นก่อนที่จะมานั่งนี้ ต้องมีพุโทโธคอยกำกับใจไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอหน้างมันก็จะรวมได้คำถามจากคุณชัดชวาลการฝึกอับปมัญญาหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบกองนั้นต้องฝึกในชีวิตประจำวันอย่างไรต้องมีการปฏิบัติในรูปแบบเหมือนกองอื่นๆหรือไม่และต้องทำอย่างไรใช้เวลานานแค่ไหนเรื่องด้วย ทุกครั้งที่นึกอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ผมจะรู้สึกมีสมาธิและเป็นสุขได้มากกว่าต้องการบริกรรมหรือดูร่างกายตัวเองก็งวิธีไหนก็ได้ที่ทําให้จิตสงบก็ทําไปวิธีนั้นมีสี่สิบวิธีด้วยกันวิธีไหนที่ทําให้จิตเราสงบมีความสุขแล้วก็ทําไปคําถามจากคุณเกเลิน ดิฉันนั่งสมาธิเมื่อคืนนั่งสมาธิแล้วเหมือนมีมดมากัดค่ะเจ็บมากนั่งกําหนดรู้ก็ไม่หายค่ะเลยกําหนดออกจากสมาธิมาดูก็ไม่เจอมดไม่ทราบว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ากิเลสหรือเปล่าเจ้าคะถ้ามันมีมดถ้ามันมีมดจริงมันก็ไม่มีกิเลส บ, บางทีมันมือนก็มากัดเราได้เวลาบางทีไม่มดก็มาแรงหรืออะไรยุงอะไร การเวลานั่งสมาธิแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปสนใจปล่อยมันกัดไปให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเพราะมันอาจจะเป็นกิเลสหลอกเราก็ได้บางทีไม่มีอะไรมากัดแต่มกิเลสมันสร้างความรู้สึกนั่นขึ้นมาหลอกเราเพื่อให้เราเสียสมาธิถ้าเราอยากได้สมาธิเราก็ต้องไม่สนใจกับอะไรตะ้งขณะที่เรานั่งสมาธิ ให้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธไปไม่อยู่กับการดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าออกมาดูว่าเป็นมดหรือเป็นอะไรมันก็เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่เสียเวลาถอนถอนจิตออกมาหาสู่ร่างกายเราพยายามจะดึงจิตให้เข้าข้างในให้ออกจากร่างกายแต่พอมีอะไรมาสัมผัสทางร่างกายก็ทนไม่ได้เนี่ย แสดงว่าสติเรามีกำลังไม่มากถ้ามีสติมีกำลังมากเราก็พูดโธพูทโธพู้ทโธพูดโ ท, ดโ ท, ดโทไปเดี๋ยวสักพักมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองคำ ถ, ถามจากคุณอรวันถ้าเราทำบุญแทนพ่อแม่พี่น้องท่านจะได้บุญหรือเปล่าคะ อ, อ๋อบุญนี่ต้องของใครของมันนอกจากบุญที่เราอุทิศนี่เราอุทิศได้แต่มันเป็นบุญส่วนน้อยมาก บุญที่เราทำนี่เราอุทิศไปได้เพียงร้อยละร้ยหนึ่งเยก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเพราะคนที่ตายไปที่ไม่มีบุญนี่แม้แต่บุญที่เราอุทิศไปร้อยละหนึ่งนี่ก็เหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานครับมันก็ดีกว่าไม่มีเลยขอทานที่เขาก็ดีใจแล้วเราให้เขาห้าบาทสิบบาทน่ะถ้าเรามีชีวิตอยู่เราควรจะทำของเราเองทำให้คนอื่นไม่ได้ พ่อแม่อยากจะทำก็ชวนเขาทำสิอยากให้พ่อแม่ทำก็หาอุบายให้พ่อแม่เขาได้ทำเช่นบอกว่าจะมาวัด จ, จะมาทำบุญถ้าเกิดก็มีศรัทธาก็าอาจจะฝากเงินมาทำบุญด้วยอย่างนี้เขาก็จะได้บุญมันต้องเป็นเงินของเขาแล้วต้องเป็นความยินดีของเขาถ้าเป็นบางคร้งไม่เขาทำก็ไม่ได้บุญเงได้ก็ได้น้อย เช่นแบบว่าเอาเงินมาให้จะไปทําบุญให้เีไปไปบังคับเขาอนี้มันไม่ได้ให้เขาทาด้วยความยินดีแล้วเขาจะได้บุญมากกว่าทําด้วยความไม่ยินดีบุญคือความสุขใจไงความสุขใจจะเกิดจากการที่เราทําด้วยความยินดีที่จะทำํำถ้าเราไม่ยินดีบางทีเราไม่ได้บุญเรารู้สึกเสียดายเงินที่เราทําไป เช่นเวลาช่วงนี้มีพ้า ป, ป่ามีกระถินเอาซองมายื่นให้กันเนี่ยเราไม่อยากจะทำแต่ต้องทำทำด้วยความไม่ยินดีแต่ก็ยังได้ยังได้เสียสละก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้เต็มร้อยมันไม่ได้ครบถ้ามันอยากจะได้ครบมันต้องยินดีที่จะทาอยากจะทำแล้วก็จะได้ความสุขมากกว่า คำถามจากคสวิโ ย, โยนะครับหากเราอยากไปถึงเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมคือนิพพานสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจําเป็นหรือไม่ในการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นหากอยู่ในสภาพคองเรือนธรรมทั่วไปนั้นยากเหลือเกินที่จะต้านการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะสติยังไม่แกข่งเมื่อสติเรายังไม่แข็งพอก็ควรเริ่มในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยใช่ไหมครับ แล้ว ก, การไปสู่นิพพานแล้วยังอยู่แบบครองเรือนเป็นไปได้ยากใช่ไหมครับถ้ามับนั่นออ ก, การออกบวชนั้นเป็นวิธีเดียวที่ดีที่สุดในการเข้าสู่นิพพานใช่ไหมครับเออนั่นแหละพระพุทธเจ้าเชนถึงต้องออกจากวังไปถ้าไปนิพพานอยู่ในวังได้แล้วไปออกนอกวังไปทาไมใช่ไหอยู่ในวังสบายกว่า อยู่ในวังแนละ้วมันเหมือนเรือที่ทอดสมอนะเนี่ยเรือทอดสมอนี่วิ่งไปไหนได้บ้างทาจะวิ่งต้องถอนสม อ, อก่อนเนะี้ยถ้าอยู่ถ้ายังติดอยู่กับความสุขทางร่างกายมันก็ไปนิพพานไม่ได้ถ้าอยู่กับที่สุขที่สบายทางร่างกายมันก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะกิเลสมันจะมาคอยลบเล้าให้เราไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่สามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ ยิงต้องไปอยู่ที่ไม่มีอะไรอยู่ในป่าในเขาเไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีอะไรถ้ากินก็กินเพื่ออยู่จริงๆกินแค่วันละมือ้อเอกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ถ้าดื่มก็ดื่มแต่น้ำเปล่าออไปอันนี้เป็นของจำเป็นของร่างกายนะถ้ามถ้าอยู่แบบนี้มันจะไม่มีอะไรมาคอยดึงใจให้กับออกไปหาความสุขทางร่างกาย นะก็จะทำให้ดึงใจเข้าสู่ความสงบได้ง่ายดังนั้นคนที่บรรลุไปถึงนิพพานกันส่วนใหญ่ 99.9% นี้เขาไปบวชกันทั้งนั้นภาษาษของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่นี้เป็นพระเป็นนักบวชแต่ก็มีบ้างที่เป็นผู้ควองเรือนแต่พอเขาบรรลุแล้วส่วนใหญ่เขาก็ไปบวชเขาก็ไม่รู้จะอยู่กับคนในโลกนี้ทำไมเพราะมันมี มันมีความนสนิยมไม่เหมือนกันอยู่กับคนในโลกเขาเดี๋ยวก็ชวนไปกินไปเล่นไปเที่ยวกันไอเราชอบความสงบก็ไม่ไปกไปกับเขาไม่ได้ไม่ไปกับเขาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็เขาก็เขาก็ลังฆ่าเราใช่ไหมเราก็ไปอยู่ของเราคนเดียวไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่วัดอยู่อะไรไปนั้นคนที่บรรลุนิพพานแล้วก็ ถ้าบวชได้เขาบวชนอกจากเขามีภาระอะไรที่ทำให้เขายังบวชไม่ได้เขาอาจจะไม่บวชคนที่ไม่มีภาระแล้วไปถึงนิพาแล้วก็บวชกันงนั้นค่ะคำถามจากคุณต้อยขอเรียนถามวิธีเดินจงกรมค่ะว่าสติต้องอยู่กับกายส่วนไหนคะถ้าใจเริ่มคิดเรื่องอื่นต้องหยุดเดินเพื่อดึงใจให้กลับมาไหมคะ ก็หาวิธีไหนก็ได้ที่หยุดใจเดินไปจะใช้พุโทโธไปก็ได้เรือเดินไปจะดูเท้าไปก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปขอให้มีอะไรคอยผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดเท่านั้นจะเดินไปแล้วสวดมนต์ไปก็ได้มีหลายวิธีด้วยกันพระที่บวชใหม่บางรูปท่านยังท่องปฏิโมกข์ไม่ได้ท่านก็ใช้การท่องปฏิโมกข์ในการเดินจงกรมไป ท่องไปเวลาท่องมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ปตฏิโมกก็คือสีลสองอยี่สิบเจ็ดข้อของพระเรียกว่าปตฏิโมกก็ท่องไปเพราะทุกทุกกึ่งเดือนพระจะต้องลงประชุมแล้วก็ฟังพระปาฏิโมกจะมีพระรูปหนึ่งเป็นผู้สวนให้ฟังเป็นการทบทวนสีลสองรอยี่สิบเจ็ดข้อเพื่อจะได้ ไม่หลงไม่เลยว่าเราต้องพระจะต้องรักษาศีลอะไรบ้างแต่ท่านจะท่องเป็นภาษาบาลีใช้เวลาประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนาทีสองร้อยยิบเจ็ดข้อเนี่ยถ้าพระองค์ไหนท่องได้ก็จิตจะมีสติดีจะมีสมาธิเราจะต้องใช้สติคอยควบคุมความคิดให้คิดอยู่ในการท่อง พระปฏิโมกก็จะมีอนิสงส์จะทําให้จิตมีสติมีสมาธิแล้วก็จะเป็นพระที่มีความสําคัญเพราะว่าเวล า, าพระอยู่ร่วมกันนอย่างน้อยต้องมีพระรูปหนึ่งที่จะต้องท่องปฏิโมกให้ได้ถ้าไม่ได้พระทั้งวันนี่ต้องไปไปนั่งฟังปฏิโมกที่วัดอื่นก็ แสดงว่าไปขายหน้าตัวเองนะอยู่วัดไม่มีใครท่องปฏิโมกได้เลยต้องไปร่วมวปัจรงปฏิโมกกับพระวัด อ, อื่นเอ่านั้นพระที่เป็นต้องปฏิโมกได้นี่ถ้าไปอยู่วัดไหนเขาจะก็อยากจะให้อยู่เพรา ะ, ะมีคุณค่าอปาเป็นภาษาบาลีเหมือนที่เราสวดอรหังสัมมาสวัสดิ์โตเนี่ย มันเป็นภาษาบาลีมีอีกไหมคำถามต่อไปจากคุณวรุษนะครับรับผมอยากทราบเรื่องพระวินัยที่ว่าผมจีวรซ้อนสังคาติตอนบินขบาาต้องทำอย่างนี้ทุกทุกวันเพื่ออะไรครับเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนคือในสมัยพุทธกาล สาเหที่มีกฎนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าพระอยู่ในป่ากันเป็นส่วนใหญ่ไม่มีกุฏิไปทุ่ดงกันอยู่ในป่าแล้วก็ผ้าก็เป็นของมีค่าหายากถ้าไปบินฑบาสแล้วเก็บแล้วทิ้งผ้าไว้ในที่พักที่ไม่มีที่บกปิดมิจฉี่แขวนไว้ลิงก็อาจจะมาคว้าไปหรือไม่ใช่นั้นคนขโมยที่อยากจะได้ผ้าก็อาจจะมาขาโมยผ้าไป ก็เลยให้เอาไปทั้งทั้งชุดเนี่ยปกติถ้ามันมีที่เก็บนี่ไปแค่สองผืนก็พอผ้านุ่งกับผ้าหม่มผ้าสังกะสีนี่เป็นผ้าห่มกันหนาวแต่ถ้าไม่มีที่เก็บมิดชิดก็เลยต้องซ้อนไปด้วยเลยว่าซ้อนผ้าบินทบาทเอาไปให้ครบสหรับผ้าไตไงผ้าไตมีสามผืนมีผ้านุ่ง ผ้าห่มแล้วก็ผ้ากันหนาวต้องเอาผ้ากันหนาวไปด้วยนีอ่อยู่เมืองร้อนเวลาไปบินถบายกลับมานี่เหงื่อแตกพัคเลยแต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แถวแถวทวาทั่วไปเขาจะไม่ซ้อนกันโดยถ้าเขาซ้อนเขาก็เอาผ้าจีวรบางๆมาซ้อนเขายังไม่เอาผ้าสังกะสีมาเพราะมันหนาเกินไปแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่กันแบบในที่มุงที่บางไม่ชิด ก็ไม่หายผ้าไม่หายนไม่ซ้อนไปก็ผ้าก็จะไม่หายเจตผลที่ซ้อนไปก็เพื่อที่จะให้รักษาสมบัติที่หายากนี้เนี่ยสมัยก่อนผ้านี่หายากมากผ้าต้องไปหาผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าผ้าห่อศพอะไรห่วยแล้วต่อมามีคนมาบวชกันเยอะผ้าก็หายาก พระพุทธเจ้าเลยต้องบอกให้ญาติโยมถวายผ้ากันที่เรียกวาผ้ากรถินนี่บอกว่ามีบุญมากอันนี้สูงมากความจริงก็หมายความมีประโยชน์สำหรับพระมากเพราะพระขาดแขนผ้าก็เลยถือว่าการถวายผ้ากระถินนี่ได้บุญมากกันความจริงมันก็ได้บุญเท่ากับถวายผ้าธรรมดาทั่วไปเลยล่ะเพียงแต่ว่าในสมัยนั้นผ้ามันหายาก มันก็เลยเป็นของที่มีคุณค่ามากกว่าสมัยนี้สมัยนี้มันเกิืใอนไม่หมดแล้วปีนึงนี้รับา้าตายไม่รู้ ป, ปีสิบสำรับก็ไม่รู้เกย์ปีตายก็ไม่รู้งนั้นผ้าป่าผ้าป่ า, า, ป า, า, ปาท่านยังถือธรรมเนียมนี้อยูนะ่เพราะว่าบางทีท่านก็ยังไปทุดงหิวในป่ากันครูบาอาจารย์ท่านไปทุดงในป่าท่านก็จะซ้อนผ้า พอท่านมาสร้างวัดท่านก็ซ้อนผ้าทำตามเพื่อเป็นการถ่ายทอดออธรรมเนียมที่ดีไว้แต่ผ้าบ้านอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ซ้อนผ้ากันผ้าที่วัน ญ, ญา น, นี้ก็ไม่ได้ซ้อนผ้ากันไปแค่สองสองผืนะถ้าสังขติก็เก็บไว้ในที่กุติทําถามจากคุณสุ จำเป็นหรือไม่ว่าต้องนั่งหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วใจจะสงบนิ่งหนูเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงบางทีใจไม่สงบบางทีทาจิตถึงจิห้านาทีใจก็นิ่งแล้วค่ะคือนั่งนี่ไม่ได้นั่งเอาเวลาอันั่งเอาความสงบถ้ามันยังไม่สงบก็ต้องนั่งไปเรื่อยๆจกวมันจะสงบถ้ามันสงบแล้วมันก็จะนั่งได้นานไปอยู่ดียิ่งในที่สุมอนก็จะนั่งนานได้ ถ้านั่งแล้ไม่สงบก็จะนั่งไม่ได้นานานั่งไม่ได้นานก็ต้องพยายามนั่งใหม่นั่งให้มันสงบถ้านั่งสงบแล้วมันจะนั่งได้นานเป็นชั่วโมงขึ้นไปได้แต่ก็ต้องพยายามนั่งไปเรื่อยๆวิธีจะนั่งให้มันสงบก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสตินั่งยังไงก็ไม่สงบเั้นก่อนจะมานั่งต้องต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนต้องมีพุทโธกากับใจอยู่ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วพอมานั่งมันก็จะสงบได้คำถามจากคุณหนูมีพระบางรูปสามารถช่วยลูกศิษย์ให้หายเจ็บป่วยหรือบรรเทาจากความเจ็บป่วยโดยก่อนหน้านั้นลูกศิษย์ผู้นั้นเคยไปหาหมอมาแล้วแต่ไม่หายหรือบางรายทางโรงพยาบาลก็หาสาเหตุไม่ได้แต่ไปหาพระรูปนั้นก็ดีขึ้นหรือบางรายก็หายเกิดจากอะไรคะก็ไม่รู้เหมือนกันไปถามพระลูปนั้นเขาดูเลย เเรราาม่ป็นกโลกคำถามจากคุณพิไลพรถ้าจิตเราชอบคิดดีและคิดไม่ดีให้ฝึกโดยรีบตัดความคิดนั้นออกโดยทันทีแล้วเอาพุตโทรเข้ามาแทนทำเช่นนี้ถูกไหมคะช่วงนี้รู้สึกชอบทำคนเดียวเงียบๆปังเทศปังธรรมและไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับ อะไรเลยฟังอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์บางครั้งเบื่อเพราะจิตใจเรายังไม่เข้มแข็งดีทำเช่นนี้ถูกผิดยังไงเจ้าคะถูกกล้วอะเวลาที่คิดไม่ดีก็หยุดมันเวลาคิดดีก็คิดไปคิดแล้วก็ทําตามที่คิดฉันคิดจะทําบุญก็ทําเลยคิดจะบวชก็บวชเลยอย่าจะคิดอย่าคิดดีแล้วไม่ทําตามความคิดมันก็ยังไม่เกิดประโยชน์คิดแล้วต้องทาตามความคิดถึงจะเกิดประโยชน์ ถ้าคิดไม่ดีก็อย่าให้มันคิดเพราะถ้าไปไปทาําตามความคิดไม่ดีมันก็เกิดโทษขึ้นมาอย่างคิดอยากจะไปเที่ยวอย่างนี้มันก็ไม่ดีละคิดอยากจะไปมีแฟนอย่างนี้ก็ไม่ดีละนะงนั้นต้องอย่าไปคิดในทางที่ไม่ดีคิดแต่ทางที่ดีถ้าหยุดหยุดมันไม่ได้ก็ต้องใช้พุโทโธหยุดท่องทุตโธพุโทโธไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวความคิดไม่ดีมันก็จะหยุดไป คำถามจากคุณบอยอยากทราบวิธีการจัด ก, การความโกรธอย่างง่ายๆสําหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่เริ่มศึกษาทำครับก็อย่ากโกรธเลยเมื่อก่อ d ก็อย่าโกรธเลยก็หยุดมันเลยง่ายที่สุดก็คือเวลาโกรธรู้ว่าโกรธแล้วก็หยุดมันแต่ถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้พุทธโธพุทธโธไปง่ายง่ายที่สุดเวลาโกรธแล้วก็พุทธโธไป แล้วก็ควรจะแยกออกจากเหตุการณ์ที่ทําให้เราโกรธอย่าไปอยู่ใกล้กับเหตุการณ์หรือคนที่ทําให้เราโกรธพอใครเราโกรธใครปั๊บเราเดินหนีไปเลยหลบไปเข้าห้องน้ําห้องห้องทํางานแล้วก็ไปนั่งพุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดถึงอคนที่ทําให้เราโกรธเพราะบางทีถ้ายังคิดถึงอยู่เดี๋ยวมันก็กลับไปหาคนนั้นอีกองต้องหยุดความคิด ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้เราโกรธและคนที่ทำให้เราโกรธด้วยการท่องพุทโธพุทโธไปอล้เดี๋ยวจิตก็จะหายโกรธเองอันนี้เป็นการแก้ปลายเหตุถาจะแก้ต้นเหตุก็ต้องแก้ที่ความอยากความอยากทำให้เราโกรธเราอยากได้อะไรแล้วเขามีคนมาขัดขวางเราเราก็จะโกรธคนนั้นอยากจะได้อะไรจากเขาเขาไม่ให้เราเราก็จะโกรธเขา แต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้อะไรจากเขาเราจะไม่โกรธเขายังถ้าเราไม่อยากจะไม่ไม่อยากจะมีความโกรธเลยเราต้องหยุดความอยากต่างๆอย่าไปอยากให้คนนั้นทำอย่างนั้นทาอย่างนี้อย่าไปอยากให้เขาให้เราให้ให้เราให้อะไรกับเราถ้าเราไม่ได้มีความอยากอะไรกับเขาแล้วเราไม่มีความโกรธกับเขาหรอก ต้องถามจากคุณสุรีถ้าลูกถามเราว่าถ้าตายไปไหนเราจะมาเจอกันอีกไหมถ้าตอบว่าเราจะเจอกันอีกถ้าเรามีจิตที่เสมอกันตอบอย่างนี้ผิดไหมคะแล้วควรตอบเด็กอย่างไรดีคะบอกไม่รู้เลยดีที่สุดนะเราไม่รู้แล้วไปตอบแบบที่เราอไม่รู้มันก็เหมือนกัโกโกหกนะไม่รู้เหมือนกันเราจะกลับมาเจอกันหรือเปล่า คำถามจากคุณวลังรับวิธีระงับความโกรธในวิธีในวินาทีแรกๆควรทำอย่างไรคะก็เนี่ยถอยออกมาก่อนอย่าอยู่ใกล้กับคนที่ทำให้เราโกรธแล้วก็ไปหาที่สงบสติอารมณ์ไปท่องพุทโธพุทโธไปหรือถ้ามีสติรู้ว่ากำลังโกรธแล้วก็หยุดมันได้ก็หยุดเลยพุทโธตรงนั้นเลยก็ได้ พุทโธตรงที่ตรงที่ทำให้เราโกรธเลยก็ได้ถ้าเรามีกำลังใช้พุโทโธก็พุโทโธไปเลยแต่ถ้ามันจะถ้ามันไม่มันไม่หยุดก็ต้องปิดตัวออกไปถ อ, อนตัวออกจากเหตุการ์เราไปหาที่ไม่มีอะไรแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปหยุดความคิดถึงเหตุการ์นั้นเดี๋ยวพอไม่ได้คิดถึงเหตุการ์นั้นมันก็จิตก็จะหายโกรธ คำถามจากคุณวราวรนช่วงนี้หนูบริกรรมโดยใช้คำว่าแก่เจ็บตายและนำมาเจริญปัญญาว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรมรมดาไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือผู้อื่นและสิ่งใดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญสุขนั้นไม่มีสิ่งใดสําคัญเท่าการเรียนรู้ที่จะพบกับความแก่เจ็บตายโดยที่ไม่ทุกข์จึงลด ความรู้สึกที่ยึดติดกับบุคคลสิ่งของเงินทองไปได้หนูควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรอีกคะก็ต้องรอดูเราเจอเหตุการณ์จริงๆขึ้นมายังจะทําใจได้หรือเปล่าถ้าทําใจไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีกําลังสมาธิพอเราก็ควรที่จะหัดทําใจให้สงบให้ได้เพราะถ้าใจสงบแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์นั้นได้ ตอนนี้เราเพียงแต่คิดถึงเหตุการณ์แต่ยังไม่เกิดในเวลาเกิดเราจะทำใจได้หรือเปล่าเวลาเราไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่ได้แล้วเรายังจะทำใจให้เฉยไม่ทุกข์กับมันได้หรือเปล่าถ้าถ้าได้ก็ดีถ้าได้ก็แสดงว่าเรามีปัญญามีมีสมาธิพอที่จะหยุดความทุกข์ได้ก็ดูที่วันด้วยความทุกข์ใจ ถ้าเรายังมีความทุกข์ใจอยู่เราก็ต้องอกำจัดมันถ้าเรามีปัญญาแล้วยังกำจัดความทุกข์ใจไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิพอเราก็ต้องพยายามนั่งสมาธิให้บ่อยๆให้จิตให้สงบมากๆเราต้องมีทั้งสองอย่างมันถึงจะช่วยทำให้จิตหายทุกได้อย่างท้าวรคํำถามจากคุณสุภาพร หากเราให้อภัยพูดที่เขาทำผิดต่อเราแล้วแต่เราไม่ขอเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาอีกเลยแบบนี้ถือว่าให้อภัยหรือเปล่าคะแนะํำเป็นไหมคะถ้าให้อภัยแล้วต้องให้โอกาสเขาเข้ามาในชีวิตเราด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เราได้ทั้งสองอย่างถ้าเราไม่เข็ดอยากจะให้เขาเข้ามาสร้างความวุ่นวายกับเราอีกก็ก็ให้เขามาได้เปิดโอกาสให้เขาก็ได้ถ้าเราพร้อมที่จะให้เขาทาอะไรต่าง ถ้าเราให้อภัยเขาได้ไม่โกรธเขาไม่ทุกข์กับเขาก็ทําได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการพุ่งใจเรายังไม่เข้มแข็งพอก็ได้เหมือนกันถ้าเราไม่ต้องการให้เขามายุ่งเกี่ยวกับเราแต่บางครัง้งบางคราวถ้าเขามาเองเราห้ามก็ไม่ได้เราก็ต้องทําใจบางครัง้งบางคราวอาจจะต้องไปเจอกันอีกไปทํางานร่วมกันอีกเนี่ยโดยที่ไม่ได้เป็นความคิดของเราเองแต่เป็นเหตุการณ์ที่บังคับให้เกิดขึ้น เราก็ต้องให้อภัยเขาทำใจให้อย่าไปถือโทษกดเกรื่องเขาคำถังจากคุณธีรศักดิ์วิตตกเรื่องงานลูกลูกค้าจ่ายเงินยากมีวิธีแก้ความวิตกหรือวางใจอย่างไรครับขายเงินสดสิก็อย่าไปโลภถ้าเขาไม่จ่ายเงินมาก็อย่าให้ของไปไม่เห็นแล้วก็มีภาพที่เขาติดไว้ บางร้างก็ยมีภาพของคนขายเงินสดกับคนขายเงินเงินแห้งนะคนขายเงินสดนี่อิ่มมีพีมันนะคนขายเงินแห้งนี่้อมโซเพราะว่าเชื่อใจคนแล้วก็เขาไม่จ่ายตามที่เขาพูดเพราะฉะนั้นอย่าปยไปรูปดีกว่าขายเอาเงินสดดีกว่าขายได้มากได้น้อยก็อย่างน้อยมันก็ได้ดีกว่าขายได้มากๆแต่ได้ได้แต่ขายแต่ไม่ได้เงิน คำถามจากคุณสัมลีมีวิธีคิดอย่างไรกับการเห็นภาพสวยๆงามๆทางตาครับเช่นเราอยู่บ้านตาเราไม่เห็นภาพแต่พอออกไปข้างนอกบ้านตาเราเห็นอะไรสวยๆงามๆมักจะมองตามชอบใจแต่ทั้งที่เรารู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ทําไมใจเราคุมมันยากจังครับเพราะเราไม่เอาภาพอื่นมามามามาดูไง เราต้องนึกถึงภาพที่ไม่สวยนึกถึงภาพของคนแก่ของคนเจ็บไข้ได้ป่วยนึกถึงคนตายนึกถึงศพที่เขาพาดูอวัยวะน้อยน้อยใหญ่ที่มีอยู่ในร่างกายให้นึกถึงภาพเหล่านี้อยู่บ่อยๆเพื่อมันจะได้จําได้ถ้ามันไม่นึกอยู่บ่อยๆมันจําไม่ได้พอมันไปเห็นภาพสวยๆมันก็นึกไม่ออกแต่ถ้าเรานึกอยู่บ่อยๆจนเราจําได้ พอเราไปเห็นภาพสวยๆแล้วเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ดึงเอาภาพที่ไม่สวยนี้ขึ้นมาใจใจเราได้ให้เรานึกถึงภาพที่ไม่น่าดูต่างๆของร่างกายมันก็จะทำให้เราระงับอารมณ์ต่างๆได้คาถามจากคุณตันหาเป็นพระแล้วถ้ามีใบสุทธิจะไปทรดงประจำอยู่วัดอื่นได้ไหมครับ เป็นพานี่ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าพันศาก่อนห้าปีก่อนแล้วหลังจากนั้นจะไปไหนก็ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ก่อนถึงจะไปได้คํถาถามจากคุณทวิชาถ้านั่งสมาธิจิตสงบแล้วเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่เป็นไม่เป็นของเราไม่ใช่ตัวตนของเรา แล้วเราสามารถปล่อยวางขันห้าได้เลยไหมครับหรือจะต้องเจริญปัญญาอีกคะก็ต้องไปทดสอบดูหรือว่าปล่อยได้จริงหรือเปล่าการรู้กับการปล่อยนี่ไม่เหมือนกันรู้ว่ามันมเป็นของเราแต่เวลาไปให้มันปล่อยมันไม่ยอมปล่อยก็ได้ดังนัถ้าเวลาอยากจะรู้ว่าปล่อยได้ไม่ได้ลองไปหาที่อยู่ที่มันน่ากลัวดูที่ไหนที่เรากลัวลองไปอยู่ที่นั่น เราดูว่ายังกลัวอยู่เปล่าถ้ายังกลัวก็แสดงว่ายังปล่อยไม่ได้งั้นรู้แล้วต้องปล่อยได้ต้องรู้แล้วต้องปล่อยด้วยถึงจะถูกถึงจะบรรลุได้ถ้ารู้แล้วแต่ปล่อยไม่ได้นี่ยังเสีว่ายังไม่บรรลุต้องไม่ทุกข์กับร่างกายคมถามจากคุณดานุชานมถือเป็นน้ำปานะด้วยหรือไม่คะ มันแบ่งพระทางสายธรรมยุทธ์เขาถือว่าเป็นอาหารส่วนทางมหานิกายเขาถือว่าเป็นอ่าเป็นเป็นไม่ใช่อาหารครับแล้วกันเขาก็จะดื่มได้พระสายมหานิกายเขาจะดื่มดมดื่มโอวันตินดื่มอะไรต่างๆได้ในตอนบ่ายแต่พระสายธรรมยุทธถือว่าเป็นอาหารดื่มไม่ได้ต้องดื่มก็ถ้าจะดื่มต้องดื่มก่อนเที่ยงวันไป หลังจากเที่ยงวันไปแล้วดื่มไม่ได้ถ้าถือมื้อเดียวก็ต้องดื่มพร้อมกับเวลาที่รับประทานถ้ารับประทานเสร็จแล้วก็ไม่ดื่มถึงแม้ว่ายังไม่ถึงยังไม่เลยเที่ยงวันก็ไม่ดื่มนะเพราะถือว่ารับประทานหนุนเดียวดังนั้นก็จะไม่ดื่มนมแล้วก็ไม่ดื่มก่อนออกจากบิบางทีบางคนดื่มนมก่อนไปบินทบายนี้ถ้าถือมื้อเดียวก็ถือว่าได้กินแล้วถ้าดื่มนมกล่องหนึ่งก็ถือว่ากินแล้วกินมื้อหนึ่งจบแล้ว ถ้าจะมากินเองนี่ก็เป็นสองมือแล้วถ้าอยากจะกินมือเดียวก็ต้องรอกินพร้อมๆกันไม่ใช่เติ่งขึ้นมาก็ซัดโอเวนตินก่อนไมโลก่อนแล้วก็ไปบินบาดแล้วกลับมาก็มากินมือหนึ่งอันนี้แล้วบางทีชะตั้งบาดเสร็จก็เอาขนมมาต่อยอย่างนี้ไม่ถือว่ากินมือเดียวนะกินมือเดียวก็กินหนนเดียวกินในที่อาสนะเดียวนั่งนั่งอยู่ในที่เดียวกินที่เดียวอ อย่างนี้ยังถือว่ากินหลายขนอยู่ต้องกินหนเดียวกินพร้อมๆกันไปเลยอะไรที่เป็นอาหารนี่ต้องกินพร้อมกันหนเดียวค้างเดียวถ้ายังไม่เลยเที่ยงวันก็ไม่เิดน แต่ถ้าเป็นพระถ้าถือธุดงถ้าถือข้อวัดวัดกินมื้อเดียวหนเดียวเนี่ยก็เรียกเอกาอะไรเนี่ยก็ต้องเอาที่เดียวหุนเดียวจริงๆไม่ใช่มีก่อนแล้วมีหลังตามมาอีกเนี่ยสวได้ยังมีข้อความจาก messenger นะครับจากคุณปา น, นีนะครับเพราะต้องทำการงานชอบและรู้หน้าที่แต่แ ต, แต่ปัจจุบันงานเข้าไม่รู้เว ล, เวลาค่ะ ไม่ตอบสนองก็หาว่าบุกคล้องไม่ใส่ใจเราก็อยากจัดสรรเวลาเพื่อสร้างเสริมบรารมีทำกรรมดีทางธรรมแต่ตัวเองพักจิตพักใจหาความสงบเช่นนี้แล้วควรปฏิบัติเช่นไรครับก็ <c oughs> เปลี่ยนงานเลยเรือ <c oughs> ออกจากงานไปเลยค <c oughs> ำถามจากคุณพาราเมื่อมีผัสสะ ทางตาหูจมูกรินกายทำอย่างไรให้สามารถดูสภาวะธรรมที่เกิดได้อย่างรวดเร็วทันทีเพราะมักจะดูไม่ทันจะรู้เมื่อผ่านไปสักระยะแล้วค่ะอย่างนี้คือเผลอสติใช่ไหมค ะ, ะสติมีกำลังน้อยสติยังมีน้อยอยู่ไม่ต่อเนื่องต้องฝึกพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาสัมผัสอะไรมันจะรู้ทันที ทงจาก messenger นะครับจตถคุณปานีเหมนกันครับเพรื่องมีโอกาสได้ฟังธรรมของหลวงพ่อคะ่ะไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านะคะก่อนหน้านี้ได้ยินได้ฟังมาว่าการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องคือการฝึกมีสติกับการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะที่บ้านที่ทำงานในที่ในที่ทุกสถานที่นั่นแหละแต่ด้วยกิเลส แต่ด้วยกิเลสสิ่งเรามากมายเข้ามาทำให้การฝึกจิตที่ว่านี้เป็นไปได้ยากค่ะรู้สึกใช้ชีวิตขาดทุนค่ะทุ่มเทเวลากางกายหมดไปกับสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตแต่เมื่อมีโอกาสเข้ามายัางสถานที่สงบทำให้การฝึกสติได้ดีขึ้นมีความสุขภายในมากขึ้นค่ะจากนั้นถ้าจริตเราเป็นเช่นนี้เราก็น่าจะเลือกที่สบายใจ จะฝึกให้เรามีความเจริญทางจิตสะสมบุญบรารมีทางธรรมอยู่ที่เราเลือกถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องควรจะเลือกเอาของที่แท้ของจริงของที่เราติดตัวไปได้ก็คือความสงบ ท, ที่เกิดจากการปฏิบัตินี้แต่เป็นสมบัติของเราที่จะติดตัวไปกับเราส่วนเงินทองที่เราได้จากการทำงานทำการนี่มันเอาไปไม่ได้มันก็เป็นสมบัติชั่วคราวแล้วก็เป็นสมบัติร้อน ได้มาแล้วก็ต้องทุกข์กับมันต้องห่วงต้องกังวลกับมันแล้วเวลาจากกันก็ต้องเสียอกเสียใจแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี่เป็นความสุขเย็นได้แล้วสบายใจแล้วก็จะเป็นของเราไปเอาไปได้จะเป็นทรัพย์พายเราไปสวรรค์ไปพระนิพพานกันต่อไปอารย์ครับตรงที่เขาถามว่าจะหลีกครับ จะต้องมีลักษณะของเป็นของศรัทธาจริตเข้ามาด้วยหรือเปล่าหรือว่าที่เขาสามารถที่จะไปลักษณะแบบนี้ได้มันไม่ต้องจริตหรอกมันอยู่ที่การรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้ดีกว่าสิ่งนี้เราจะไปเอาสิ่งที่ไม่ดีทาไมเราก็เอาสิ่งที่มันดีกว่าถ้าเราเจอความสงบแล้วเราก็จะรู้ว่ามันดีกว่าการได้เงินได้ทอง มันไม่ต้องมีไอ้ น, นี้ไม่ต้องมีศรัทธาแล้วอันนี้มันสัมผัสแล้วเห็นแล้วเขาให้รถเฟอร์ารี่กับให้รถโตโยต้านี่คุณยาวคันไหนใช่ไหมนะแต่ถ้ายังไม่เห็นเขาเพียงแต่พูดว่าจะให้เฟอร์ารี่กับโตโยต้านี่ก็ยังต้องฟังก่อนไอ้คันไหนดีกว่าแต่ถ้าเห็นแล้วได้ขับแล้วทั้งสองคันนี้มันจะเป็นเลือกคันไหนล่ะ ยังไม่เห็นก็ต้องมีศรัท ธ, ธาเชื่อก่อนถ้าเขาบอกโตโยต้าดีกว่าเฟอร์รารี่เราก็เอาโตโยต้าใช่ไหมแต่ถ้าเขาบอกเฟอร์รารี่ดีกว่าโตโยต้าเราก็เฟอร์รารี่ถ้าเรายังไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นแล้วเรารู้รถคันไหนดีกว่าเราจะต้องไปมีศรัท ธ, ธาที่ตรงไห น, นแหละศรัทธามันอยู่ตรงที่เรายังไม่ได้สัมผัสกับของจริงก็ต้องเชื่อคนที่เขาบอกเราอย่างพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าทางธรรมนี่ดีกว่าทางโลก ล้วถ้าเรายังไม่ได้สัมผัสกับทางธรรมเราไม่รู้ว่าดีกว่าอย่างไรเราก็เชื่อไปก่อนเดี๋ยวพระเจ้าไม่หลอกเราอย่างงี้ก็ต้องใช้ศรัทธาแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราได้สัมผัสกับธรรมแล้วเรารู้แล้วว่ามันดีกว่าทางโลกเราก็ไม่ต้องไปเชื่อใครแล้วเชื่อตัวเองแล้วนนอัไนี้ใช่ไหมคำถามจากคุณเมิร์ดเราจะ จัดการอย่างไรกับลูกที่ชอบโกหกปิดบงัปงปัดแขงเชื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่คะถ้าลงโทษได้ก็หามาตรการลงโทษไปเึ่าตัดเงินค่าขนมไปอะไรต่างๆไปให้เขาเห็นโทษของการพูดบดว่ามันเป็นการกระทําที่เสียหายทั้งกับตัวเขาเองและกับผู้อื่นแต่ถ้าลงโทษแล้วเขายังจะทําอยู่ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขา เป็นสันดานของเขาที่เราไม่สามารถที่จะไปช่วยเขาได้เราสั่งเราสอนเขาแล้วเรามีมาตรการป้องกันแล้วแต่ก็ยังยังไม่เข็ดหลับเขายังอยากจะไปโกหกอยากจะไปแล้วก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเขาไปเราอย่าไปทุกข์กับเขาเพราะว่าเราไม่ได้ไปเป็นคนที่ไปทํำอะไรเสียหายและเราไม่ได้เป็นคนที่จะไปรับผลของการของความเสียหาย เขาเป็นคนทําเขาจะต้องเป็นคนรับผลแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องตรงเราก็ต้องวางว่าเป็นกรรมของเขาไปคาถามจากคุณจำปาถ้าหญิงบวชแม่ชีแล้วบรรลุธรรมสามารถดํารงภาตขันอยู่ได้ไหมครับมีคนบอกอยู่ไม่ได้เทพหญิงรับไม่ได้ขณะบรรลุได้ต ได้มันไม่เกี่ยวกันร่างกายก็ร่างกายใจกระจายมันคนละเรื่องกันใจกับร่างกายนี่มันเป็นคนละส่วนกันไม่เกี่ยวกันร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปตามเวลาของมันมันไม่ได้แก่เจ็บตายเพราะว่าเป็นบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมเรื่องของการบรรลุธรรมเป็นเรื่องของจิตใจย่งไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันอย่าไปเข้าใจผิดกัน บางคนก็บอกว่าถ้าบรรลุธรรมแล้วต้องบวชภายในเจ็ดวันไม่งั้นตายอันนี้ก็ไม่มีอ้างไม่มีคําพูดคําสอนในพระไตรปิฎกมีแต่เหตุการณ์ที่มันอาจจะทําให้คิดอย่างนั้นเช่นพ่อของพระเจ้าเจ็บ่ายได้ป่วยพระเจ้าก็ไปปวดเจ็ดวันก่อนตายก็บรรลุเจ็ดวันก่อนตายาก็ยเลยว่าอ๋อเนี่ยเห็นมัที่ตายก็เพราะว่าไม่ได้บวชไม่ใช่มันคนมันจะตายอยู่แล้วเพงแต่ไปบรรลุตอนนั้นพอดีเอ เจ็ดวันก่อนตายก็เลยไปว่าเนี่ยบรรลุธรรมเจ็ดวันเลยเนี่ยไม่ได้บวชก็เลยตายมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันถ้าได้ยินมาว่าในตำรายเียนว่าเออถ้าคนที่ได้ปฏิบัตครับกระโสดาปันแล้วท่าในใจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอ่าเครื่องรางของของังอะไรที่นี้เกี่ยวกั็นไหยครับ เดียวท่านจะรู้ว่าเครื่องรางของขังนี่เป็นของปลอมนนะไม่มีประโยชน์อะไรเป็นความเชื่องมงายไม่ได้เป็นตัวที่จะมาแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจของเราได้ก่อนที่มีเครื่องรางของขังก็เพื่อมารักษาความไม่สบายใจในชะ่มมีเครื่องรางของขังแล้วรู้สึกปลอดภัยมีอะไรมาคุ้มคองแต่ความจริงพระสวสดาบัลท่านเห็นว่าไม่มีอะไรคุ้มคองร่างกายเราได้เกิดมาแล้วต้องตาย แล้วที่ใจไม่สบายก็เพราะว่าความหลงที่ไม่ยอมรับความจริงว่าร่างกายต้องแก่เจ็บตายถ้ายอมรับความความจริงแล้วไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ไม่ทุกข์กับความแก่เจ็บตายของร่างกายมันก็ไม่ต้องไปมีอะไรมีก็ไม่ต้อเปลี่ยนแปลงอะไรมีเครื่องรางของถังก็ไม่สามารถที่จะมาห้ามความแก่ความเจ็บความตายได้ เพรนคนที่เขาเห็นว่าความไม่ความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของตนเองก็ามาหยุดที่ความอยากซิก็หมดเรื่องยอมรับความจริงมันก็หายทุกข์แล้วมันก็ไม่ต้องมีเครื่องรางของขลังมาทําให้เราสบายใจคำถามจากคุณธัญญาเคยฟงังคำพูดถึงเรื่องจิตเดิมไม่ทราบว่าเหมือนหรือต่างกับจิตที่เป็นอุเบกขาอย่างไรเจ้าคะนั่นแหละเขาจิตที่เข้าสู่สมาธิ เรียกว่าจิตเข้ากับ เ, เ, เข้าสู่สภาพเดิมเวลาออกมาจากสมาธิก็ออกมาสู่สภาพใหม่มาอยู่กับร่างกายคนใหม่ใช่ไหมเวลามาอยู่กับร่างกายก็มารับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วพอจิตกลับเข้าไปข้างในจิตก็สงบก็เป็นากลับไปสู่จิตเดิมอยู่จุดเดิมของจิตเวลาจิตที่ไม่มีร่างกายเวลาจิตที่ไม่ได้ตรุงแต่งมันก็จะนิ่งสงบ แต่มันเป็นจิตที่ยังมีกิเลสอยู่จิตเดิมนี้เป็นจิตที่มีกิเลสเวลาเข้าสมาธินี้กิเลสไม่ได้ตายไปกับการเข้าสมาธิเพียงแต่หยุดทํางานชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาจิตเริ่มเห็นเริ่มคิดมันก็จะกิเลสก็จะออกมาคําถามจากคุณสมสุขเคยได้ยินว่าการตักบาตรและ พรให้พรตอนใส่บาตรเสร็จทำถูกต้องไหมคะเพียงแค่สงสัยเจ้าค่ะเพราะเคยได้ยินมาว่าพระควรจะให้พรที่วัดเวลาพระบิณฑบาต ท, ท่านไม่นิยมจะให้พรเพราะว่าหนึ่งมันไม่เหมาะสมกับการละเทสสะคนใส่ร้อยคนมายืนให้พรร้อยครั้งก็ไม่กว่าจะกลับถึงวัดก็เพนกวันนี้ย <c oughs> ันเขาไม่นิยมให้พรเงีพร น, นี้ไม่ต้องให้หรอกพรมันเกิดจากการ การส่บาตมันมีอยู่ในตัวของมันแล้วการสวดการพูดนี่ไม่ได้ทำให้มันมีมีมีพรมากขึ้นหรือน้อยลงหรอก <c oughs> พอรมันเกิดจากการกระทำของเราผลคือการเจริญในอายุวันนะสุขาภล ะ, ะนี่มันเกิดจากการทาบุญของเราถ้าเราทำแล้วเราจเจริญแล้วไม่ต้องมาให้พระมาบอกเราการสวดการให้พรนี่เป็นการบอกเท่านั้นเอง พระไม่สามารถให้พรให้เราได้หอกมีแต่จะขอจากเราเออาใจไอมที่บอกก็บอกธรรมะเท่านั้นที่สวดให้สวดธรรมะสวดคําสอนสวดให้รู้ว่าอยากจะเจริญด้วยอายุวันนสุขปะปาระก็ทําบุญด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเี่ยทําบุญด้วยความเคารพนี่จะได้บุญเยอะเมีแค่นี้แหละแต่ไม่บอกก็ได้บุญเหมือนกันได้เท่ากันบอกแล้วไม่บอกก็เท่ากัน บอกก็า จ, จะดีหน่อยเพราะบางคนไม่รู้ใส่บาตรแบบไม่ค่ย ไ, ไ, ไม่เคารพเช่นใส่รองเท้าใส่นี่ถือว่าใส่บาตรแบบไม่เคารพพระเราอยากจะเคารพพระนี่ต้องถอดรองเท้าเพราะพระท่านไม่ได้ใส่รองเท้าหรือว่าใส่รองเท้านี่ยืนสูงกับพระไม่ควรยืนใส่บาตรเนี่ที่สูงกับพระยืนควรจะยืนต่ํากว่าหรือเท่ากับพระเวลาใส่บาตร บางคนขี้เกียจลงยืนยืนที่สูงว่าลงมาข้างล่างเป็นที่มันเปื่เปื่อนกลัวเท้าจะเปื่ก็ยืนใส่สูงๆอย่างนั้นเนี่ยใส่ด้วยความไม่เคารพนะอย่างนี้ก็จะไม่ได้บุญเท่ากับคนที่เขายอมเปื้อนเท้าเปื้อนเท้าอย่างหลวงตาท่านเคยพูดกับคนที่ใส่รองเท้าใส่บาตรว่าอ่อ่ตีนเปื้อนนี่มันยังล้างได้นะแต่ใจเปื้อนนี่มันล้างยากเข้าใจไ้ย เอออย่าไปเสียดายกับเรื่องเรื่องเท้าเปื้อนใส่บาศเสียแล้วเดี๋ยวไปล้างเท้าได้เออย่าไปเสียดายว่าโอ้เดี๋ยวต้องรองเท้าจะเปื้อนอมันเลยไม่ได้บุญเท่าที่ควรจะได้ได้อยู่แต่มันได้ไม่ครบร้อยไม่ได้เต็มที่คคําาาาถมจกุณดช ทุกครั้งที่สวดมนต์เจริญภาวนาโดยเฉพาะเวลาแผ่เมตตาจะสัมผัสกับพลังงานบางอย่างเช่นคนลุกหนาวบ้างเหมือนโดนลมแรงๆได้กลิ่นน้ำหอมดอกไม้กลิ่นธูปกลิ่นควันไฟบ้างคืออะไรคะแล้วควรปฏิบัติตนอย่างไรคะก็ให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีนัยยะสาคัญอะไร คำถามจากคุณสรลอัตกายทิพกับจิตแตกต่างและสัมพันธ์กันอย่างไรครับอันเดียวกันนี่แหละจิตก็คือกายทิปล่างกายก็คือกายหยาบกายทิพกับกายหยาบมันมาอยู่ร่วมกันใหญผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นร่างทิพกายทิพเวลากายหยาบตายไปร่างทิพกายทิพนี้ยังไม่ไม่ได้ตายไปกับกายหยาบร่างทิพกายทิพนี้ก็จะไปอยู่ใน สวคำถามจากคุณชัดชยัยการทำบุญให้ทานจะเป็นทางดำเนินสู่การพ้นทุกข์ด้วยไหมคะก็เป็นจุดเริ่มต้นเราต้องทำทานฉละข้าวของเงินทองไปให้หมดก่อนเราถึงจะไปบวชได้ถ้าเรายังเสียดายเงินทองอยู่ยังอยู่กับเงินทองเราก็ไปบวชไม่ได้ เมื่อบวชไม่ได้ก็ไปนิพพานยากเพราะเหมือนเรือที่ทอดสมอไม่ยอมถอนสมอเรือถ้าอยากจะให้เรือวิ่งไปได้ก็ต้องถอนสมอเรือถ้าอยากจะไปบวชก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็เรียกว่าเป็นการทําบุญทําทานยกให้คนอื่นไปยกให้สามีภรรยายกให้บิดามารดาหรือถ้าไม่มีก็ยกให้ชาวบ้านไป อย่างมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเป็นลูกศิลป์ของปู่มั่นเนี่ยตอนที่ท่านเป็นคาราวาท่านก็เป็นเศรษฐีมีไร่มีนามีวัวมีควายแต่ท่านไม่มีลูกไม่มีเต้าแล้วภรรยากับท่านก็อยากจะออกบวชกันทั้งคู่ท่านก็เลยประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าใครอยากได้อะไรก็มาขอมารับไปท่านจะให้ใครไม่มีวัวควายก็มาขอก็ให้ไปใครไม่มีที่นาทํานาก็ให้ไป การไม่มีบ้านอยู่ก็ยกให้เขาไปแล้วตัวท่านกับภรรยาก็ไปบวชท่านก็ไปศึกษากับหลวงปู่มัน่นแล้วท่านก็ได้บรรลุธรรมมีอยู่ในประวัติที่หลงตาเขียนไว้ท่านชื่อว่าหลวงหลวงปูปงนะ่พงษเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำบุญทาทานแบบครอบรอยตอนนี้พวกเราทำกันแบบทีลนิดเถอะหน่อยเป็นการหัดทำกินไปก่อน หั ด, ห, ดหัดสละเงินทองแต่ถ้าเราต้องการที่จะไปนิพพานไปปฏิบัติอย่างเต็มที่เราก็ต้องสละไปหมดคนที่มาบวชนี่เขาก็สละทรัพย์สมบัติเขาของเงินทองไปหมดเขาไม่เอาติดตัวมาด้วยถ้ามีมันก็เป็นภาระ้แล้วก็ไม่มาเป็นมันจะเป็นอุปสรรคมาเป็นกิเลสแทนก็เดี๋ยวก็จะเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่มากินมาดื่มมาเที่ยวมาเล่นกันอีก คำถามจากคุณบุญเลืองลูกอยากลาออกจากงานไปอยู่บ้านได้ฝึกปฏิบัติให้ได้มากกว่านี้เพราะทำงานมีเวลาน้อยนิดไม่ทราบว่ามีอะไรแต่ละวันงานเยอะมากตอนนี้ลูกเหลือเวลาสี่ปีครบระเสียงราชการจะดูง่หรือเปล่าคะง่ออะไรฉลาดเอพพุทธเจ้าง่อหรือเป่าพระพุทธเจ้าท่านก็ออกจากงานออกจากวางไป คนที่อยู่นะโง่คนใช่คนที่ไปฉลาดคำถามจากคุณกานยิทีหรืออุ บ, บายให้ใคลายความห่วงเรื่องลูกคือลูกไม่ดือ้อไม่เกเรแต่เรารู้สึกรักผุกพันเขามากเราควรทำใจเรื่องลูกอย่างไรครับตอนนี้ลูกสาวสิบขวบค่ะคิดว่าเป็นคนมาขออาศัยบ้านเราอยู่ ถ้ามีคนก็มาขออาศัยเราอยู่เนี่ยถ้าเขาไม่ได้มาทางท้องเราเราเร า, เราจะรับเขาหรือเปล่าถ้าเขามาทางท้องเราเราก็หลงคิดว่าเป็นลูกของเราคจริงเขาก็เป็นคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเขาก็เลยมาขอเราอาศัยอยู่ให้เราเลี้ยงดูเขาเท่านั้นเองเราเป็นหลงคิดว่าพอออกจากท้องเราก็เลยเป็นลูกเราเป็นของเราก็เลยไปหลงอยากจะให้เขาดีอยากให้เขามีความสุขพอเขาไม่ดีไม่มีความสุขก็ทุกข์ไปวิตกกังวลไปกับเขา เพั้พยายามเลี้ยงลูกเราเหมือนกับเลี้ยงหมาจรจัดเนี่ยรู้จักหมาจรจัดไหยหมามันมามันไม่มีที่อยู่ก็เอามันเอามาเลี้ยงมันไม่มีข้าวกินก็ให้มันข้าวมันกินมันดื้อก็ตีมันถ้าถ้าตีแล้วมันยังดือ้ออยู่ก็ก็ในระเทศมันไปไม่ต้องอยู่ไม่ต้องเลี้ยงกันถกาเรเลี้ยงแบบนี้รับรองได้ว่าไม่มีความทุกข์กับเขาเนี่ยเราไปเลี้ยงด้วยความหลงคิดว่าเป็นของเราเป็นลูกเรา ควาจริงเขาไม่ได้เป็นลูกเราหรอกเขาเป็นใครมาจากไหนเราก็ไม่รู้ด้านก่อนอาจจะเป็นคู่อริ ก, กันเป็นศัตรูกันก็ได้แล้วมาอยู่ในท้องเรามาสายร่างกายที่เราสร้างขึ้นมาเอเราก็เลยคิดว่าเป็นลูกของเราเพราะนั้นถ้าจะเลี้ยงแบบไม่ไม่ทุกข์ใจต้องคิดว่าเขาเป็นเหมือนหมาจรจัดเออเขาไม่มีที่อยู่อาศัยเขาก็เลยมาพึ่งพาสายเราเรามีความเมตตาก็เลี้ยงดูก็ไป ให้เขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายสอนเขาเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆแต่ถ้าเขาไม่สนใจเขาดื้อเขาไม่ฟังก็ก็ ก, กทางใครตางมันก็แล้วกันเออถ้าเราสอนคุณไม่ได้คุณมาอยู่กับเราทําไมคุณก็ไปไปอยู่ที่อื่นไปคำถามจากคุณเจ้าไปกราบถวายสักการะพระบรมศพแล้วได้รับผลไม้ลองกองมา จะสามารถนาํามาทำไหวพ้พระได้หรือเปล่าคะได้ของที่เป็นของเราแล้วเราจะไปทําอะไรก็ได้ออกไปกินก็ได้ได้กินเท่าไปทําบุญก็ได้บุญคําถามจากคุณอาร์ตการใส่บาตรโดยไม่เฉพาะเจอดจงพระรูปใดรูปหนึ่งถือว่าเป็นสังฆทานหรือไม่เพราะเคยได้ยินว่าสังฆทานต้องทําที่วัดเท่านั้นไม่หรอกการใส่บาตรนี่เป็นของแล้วแต่วัดบางวัดนี่เขา เขเป็นสังฆทานคือของที่ได้มาจากบิณฑบาตเขเอามาแบ่งกันแต่ถ้าของใครของมันก็ไม่ได้เป็นสังฆทานเช่นภาพบิณฑบาตแล้วได้อะไรมาก็าเอาไปกินไปฉันที่กุติเก็บไว้เป็นของตนอันนี้ก็เป็นของบุคคลไปแต่บางวัดเขาจะใหเอามารวมกันที่ศ า, าลานลมาแบ่งกันอย่างนี้ถึงเรียกว่าสังฆทานคือถวายเป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของใครของใครคนใดคนหนึ่ง เอามาแล้วก็เอามาแจกจ่ายแบ่งกันไปตามลําดับของอาวุโสพันเตไปอย่างพระวัาาดป่านี้จะถ้าใส่บาปพระวัดป่านี้จะเป็นสังฆทานเพราะพระท่านจะไม่เก็บอาหารที่ท่านได้มาจากบินธบาติมันมาจากวันแล้ท่านก็จะเอาอาหารทั้งหมดที่ได้มาไว้กองกลางแล้วก็จะมีการช่วยจัดช่วยอะไรเอามาแจกจ่ายกันในรอบหนึ่งอย่างนี้ที่เรียกว่าเป็นสังฆทานอย่างนี้ทําให้พระที่ได้บินธบาติน้อยก็ยังมีอาหารพอ พะที่มีบ้างก็แบ่งให้กับพระที่น้อยได้เหเือกี่ข้อเยอะหมคำถามจากคุณะเดชทุกวันนี้เวลานอนถ้ารู้สึกตัวหรือว่าตื่นนอนจิตจกจิตเราจะระลึกถึงบทบริกรรมพุทโธมีนาโธ ท, ทำโมูมนาโทสังโโคมีนาตลอดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสภาวะจิตแบบไหนครับ นายพูดอีกทีเนี่ยไม่เข้าใจนะอ่านใหม่สิทุกวันนี้เวลานอนรู้สึกตัวว่าจะนึกถึงคำบริกรรมพุทธโเมนาโทคำโมเมนาโทสังโคเมนาตลอดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสภาวะจิตแบบไหนครับก็มีมีสติอยู่กับการท่องสวนนะไม่ได้ไปคิดปรุงแต่ง ก็ถือว่าเป็นสติอย่างหนึ่งทา น, นี้ใช่ไหมวันนี้คำถามเยอะนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้อย่านุโมทนาให้ผ่อนนะยะท้าวารวาหาปุราปาริปุเรนติสาคาังเอวเมวะอิโตทินังเปตางาังอุปกัรปติ อิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิตาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปณะระโสยทามนิจโจติระโสยทัสพีติโยวิวาชานตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภว อธิวาธนสีนิตสนิจยางวุธาปจายโนจตาโรโอธรมมวะทานติอายุวโนสุขังภาลังใครต้องการหนังสือสีดีก็หยิบได้นะถ้ายังไม่ได้ถ้าใครต้องการถวายข้าวของอะไรก็เข้ามาได้ถ้ายังไม่ได้ถวายแต่วันนี้ก็คิดว่า ยุติการประชมไว้เพียงเท่านี้